ข้อที่ข้อที่สินะครับที่สรุปใดตั้งเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นตั้งก็ดีซึ่งเตียกงก็ดีม้านั่งก็ดีโฟก็ดีเก้าอี่ก็ดีอันเป็นของสงในที่การแจ้หรือคนม้าที่นกจะถ่ายมูลร้อนจ้าแล้วเมื่อฉนิดไปไม่เก็บเองก็ดีไม่สั่งผู้อื่นให้เก็บก็ดี ซึ่งพันดักรานะั้นหรือว่าพึงหลีไปโดยไม่บอกกลาวต้องอาบะะัตปาสิตีเมื่อเดินล่วงระยะประมาณเท่ากับที่ตกแห่งก้อนดินที่มัชมบษบุรุษขนาดกางกลางว้างไปเต็มแรงนะครับนี้นะอธิบายของค่อนข้างกันะครับท่หมบว่าพิสุดไปตั้งไนระตั้งหรือว่าใช้ตั้งอะครเอาเตียงนะ มันจะมีเตียงต่างนะครับม้านั่งผู้เก้าอีนะครับไปตั้งในที่การแจ้งนะครับในที่การแจ้งคีอหมายเอาสีเดียวดูฝนนะครับไม่ใช่ดูดไหนเท่านั้นนะหมาสีเดียวดูฝนเพราะาดูฝนแล้วฝนจะตกชนะชนะโดนฝนรอดก็จะเสียหายผุพังไปใช่ไหมครับเอาสีเดียวดูฝนหรือแม้แต่ได้ดูหนาวถ้าฝนยังตกก็ไม่ได้เหมือนกันนีะครับนะ และก็คนไม้นะครับที่นกมันจะถ่ายมูลรดได้ก็คือต้นไม้บางต้นเป็นที่อยู่ประจําของผู้นกพวกการใช่ไหมเราเตรียมตาว่าตัต้ตงว่ามันก็จะถ่ายมูลมารดนะครับต้นไม้คนต้นไม้อันนั้นไม่อันนี้ไม่เกี่ยวกับฤดูเลยนะเรื่อดูไหนก็แล้วแต่เพราะว่าเป็นคนไม้ที่ต้องจะถ่ายมูลรได้นะครับก็เชื่อว่าที่การแจ้งที่นี้นะครับถ้าไปตั้งไว้นะเอาไปตั้งไว้ปุ๊บไม่ใช่ว่าต้องอาบัดเลยนะครับ แล้วก็สามารถไปตั้งไปนั่งไปนอนไปอะไรได้นะแต่นี่จะต้องอาบัดเมื่อไหร่ก็คือเมื่อหลุดไปนะครับหมายว่าเมื่อหลุดไปจากสินอาชนะนั้นแล้วนะไอเตียงต่างอะไรนั้นแล้นะครับจะหลุดออกไปแล้วไม่ยอมเก็บหรือว่าไม่ใช้คุณเก็บนะครับหรือว่าไม่หมอบหมายต้องเก็บเองหรือว่าสั่งเนนสั่งใครก็ได้แต่ช่วยเก็บให้ที่ไหมครับหรือว่าบอกหมอบหมายใครก็ได้นะครับต้องหมอหมายคนที่มีความาอาาโน่นนะ ทีเรจะเจอสมณีนี้นะครับคนที่มีความอาลัยนะพิสูจ น, น์สมณีหรือว่าคนวั่นนะครับผู้มีความอาลอ่าผู้นะรัมีความสําคัญว่าอะไรนะมีความสําคัญมากเป็นสิ่งที่วควรทํานะครับบอกวิถีสมณีหล่อนนั้นนะข้าช่วยเก็บให้แต่นถ้าหลีกไฟก็ไม่ได้ใช้ออกเดินเลยนะครับไม่ได้บอกใครไม่ได้มองหมาไม่อะไรั้งสิ้นนะ น, นี้ก็จะต้องมบปาจิตตินะครับ <c oughs> ร่วงโดยร่วง แรกดูบาดที่สองใช่หัหยครับที่เพียงก้อนดินไปนะตุ๊กแรกไม่โดนแร้วพอเลยตุ๊กที่สองต้องไปตีก้าวเท้าแรกเป็นถูกกดพอก้าวเท้าที่ทสองต้องไปตีอันนี้นะอื่นะครับไม่ได้บาดใช่ไหมใช่สองไม่้บาดผิดนะอ่าอ่าเล่นบาดเล่นดูบา ด, บาดบาเดียวนะไม้ไม่มีสองนะคะรับลวกเล่นบาด จำได้ไหมเออตัวพระาลีนะครับโยปนาพิขูโยปนาพิขูสังทิกรรมใช่ไหมช้าไม่มีนะครับโยปนาพิคูสางคิกรรมมันตัวปิดทั้งวันพิจิงห์วันขดช้างวาโชกัสเสสันคลิตวาวาสันทราไเปตตาวาตันประกาศบรโตในวัฏฏาระยะิมทนาระยะอนาบุช้างว่าขัดฉะยะปัสยยะต่อไปนั้นมาดูนะเออ ต้นไม้ใหญ่นะครับของสีขาวที่สี่นี่เลยนะมันเป็นอ่างน้แเรื่องของพิสุทธหลายรูปนะครับโดยสมัยนั้นที่มื่พระพุทธเจ้าไะท้ำอยู่นักพเชตวันอาลามของนาถมิการท่าบดีเขตนครสามวสีครั้งนั้นเป็นฤดูหนาวพิสุทธิ์ทั้งหลายจึงตั้งนานสนะในที่การแจ้งถิงการอยู่ขันเขาบอกว่าแต่การเมื่อจะหล่กไปไม่เก็บเองไม่คนอื่นเก็บ ซึ่งเสนาสนั้นไม่บอบหมอกหมายแล้วหลุดไปเศนนาสนั้นถูกน้ําค้างและฝนตกช้าบรรดาทพิจุตที่มั่งน้อยสันโดษเอกเพ่งเข้าดิจิมุทนาว่าเช่นไรพิจุตทัาไหลายจึงตั้งเสนานะที่แจ้งแล้วเมื่อจะหลุไปจึงไม่เก็บเองหรือไม่คนอื่นเก็บซึ่งเสนาสนะนั้นไม่บอบหมอกหมายแล้วหลุดไปเศนาสนั้นถูกน้ําค้างและฝนตกช้าและกระดูกเนื้อความมันมาพลาดจ้า อนีอ้ในสถานที่ในประเทศนะครับที่มนันหนามากๆนะบางีก็จะออกมาต่างแดด ก, กั น, นครับคมีทางเหนือคนสมัยเป็นเด็กนะครับเวลาอากาศหนาวมากๆนะครูก็ยังให้ออกมาเรียนนะครับข้างนอกห้องนะเรียนในห้องไม่ไหวเนื่องจากหนาวมากออกมานั่นงถิงเรียนกันถิ่งแดดนะครับผิ่งแดดเรียนแหละนะแม้ตอน น, นี้ภาคเรียนเป็นภางเหนือในประเทศจะหนาวมากนะครับก็จะออกมาเรียนนอกห้อง แล้วก็ขอนโตขนขนก็้งอีมารีกะไรนะั่นเดียบารีนะครับอีเนี่ย น, นะมันต้องเก่บนะเราสริตแล้วก็เก่นนบพระพูท อ, อกก็ทรงสอบถามทรงสีเตียนแล้วก็เบียดขาบนนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยพระองค์ตรัสว่าตันนี้นะฟังหน่อยนะครับก็สมัยนั้นพิสูจ์ทั้งหลายอยู่ในที่แจ้งรีดเก็บเจนาสนะกองการควร ภูมิภพเจ้าได้ทอบพระเนรเห็นพิสุห่านั้นผู้รีดเก็บช น, นาชนะก่อนการบรควรั้นแล้วได้นะครับจึงทรงทรงทำมีกคาในพระเหตุเป็นเขาหมู่นั้นในพรา่าเกิดนั้นแล้วสั่งกะพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายรเราอนุญาตให้เก็บชนาชนะไว้ในปั๊มหรือโคนไม้หรือในที่ซึ่งนกกาหรือนกเหยี่ยวจะไม่ถ่ายมอรดได้ตลอดแปดเดือนนะครับ เนี่ยแปดเีือนที่ไม่ใช่คือฝนนะซึ่งคุณบอกว่าไม่ใช่ฤดูฝนรับนะครับมี่มันเป่าอธิบายนะเขาที่บางในการขานหน้าหกสิบแปดย้หน้าสุดท้ายข้างหน้าเลยครับข้อที่สี่อธิบายประทมเสานาสนะสิขาบทเพิ่งสราบอธิ่บายในสิขาบทที่สี่ต่อไป คำ ว, ว่าของสงคือพัสดุเป็นของสงบรรดาเตียงเป็นต้นที่นอนอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้นะที่ม่คาคำว่าเตียงนะครับเหมือนที่นอนอย่างใดอย่างหนึ่ง<ม>ที่ทําไว้ดโวยท่าทางอย่างเตียงทั้งหมดอันนี้ชื่อว่าเตียงทั้งนั้นนะครับประเภทของตียงก็เช่นเดียวกันนะตียงมัคือแบบไหนมันเป็นเตียงอาจจะเป็นสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมนะครับใหญ่ขนาดว่านอนได้เหมาอกันนะ อันนี้เห็นได้ว่าตัดนะรเป็นสีเด่นจตุรันะก็ใน่าณาจักที่เขาทำไว้โดยเอาผ้าหรือหนังที่สมควรมาทำปลอกยันให้แตงด้วยขนขนอะไรเนี่ยขนสัตว์นะครับใมไม้หญ้าปอผ้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งเว้นผมมนุษย์นะครับขนว่าผมมนุษย์เนี่ยไม่ได้หรือใบเตานะครับเว้นผมมนุษย์กับใบเตยนี่ไม่เอานะ ไอย่างอื่นนะครับอันนี้เรียกว่าผู้ผู้สามารถนอนได้นะผวกที่ไม่ได้ยัด น, นิ่มสัมฤีนะครับนนอนอดได้สมัยนี้พว้อะไรผู้ฟองนะผู้ใหญ่สังเคราะห์ใ่ไหมได้ก็สงังเคาะหพวกนี้นะก็เป็นเฉพาะผู้นุ่ น, ะ น, น, นสัมฤีธิ์นะไม่ได้ยัดด้วยขนใบไม้หญ้านะครับปอด้วยความที่ยัดด้วยผ้านี่ก็หนุ่มกันนะหรือว่ายญ้าบางอย่างนี่ก็หนุ่ม โยกโง่เอไว้กูนอนนะครับโงนั้นที่สุดจะนั่ก็ตามจะนอนก็ตามสมควรอยู่ก็การกำหนดขนาดของโง่นั้นไม่มีนะครับเนีย่ยขนาดหนนะแต่ส่วนก็อี้ครับในที่นี้ถ้าที่บายก็อี้ที่เป็นอย่างนู่เป็นของที่ครับเอาปอญ่าปอย่าแฝดยากล้องย่ามุมกรายชิ้นใดชนิดหนึ่งครับถาให้กว้างทั้งข้างบนทั้งข้างล่างตรงการแคบ อย่างผมคิว่าภาพที่ดูนะถ้าใีรถ่ายเอสารผมไปนะครับตรงการแค่มีรูปทรงคล้ายกรองบันดอบหุ่มด้วยหนังเสือเป็นต้นเนี่ยพอเขาขาดเสร็จแล้วใช่ไหมเขาก็มาหุออ้มอีกทีนึ่ง น, นะครับ <c oughs> ในเรื่องเก้าอี้นี้นะครับชื่อว่าหนังที่เอามาทาซึ่งไม่สมควรไม่มีจิ้อยู่ถึงนะเนสนาที่ทําด้วยทองก็สมควรพอทีา่บาันเก้าอี้อย่างเงี้ยที่บอกว่านะครับ ให้กว้างในข้างบนและข้างล่างจง ก, การแคบใช่ไหมไม่ถึงขาบา่าเลยนะครับมันขาบา่าดีๆนี่เองใช่ไหมเนี่ยข้างบนข้างล่างเนี่ยมันกว้างใช่ไหมครับข้างล่างมันแคบเรเป็นปก้าอีถฐานหนึ่งนะอย่างหนึ่งที่มันใช่ข้างกับขาบ่านะครับอื่ว่าคุณทาแข็งแรงอย่างนะี้สามารถไปเล่นได้ก็เห็นไม่เท่าใกล้ที่เทาถังนี้เนะท้ายให้ขาบา่าตัวมันจะยันมันจะสูงกว่าใน ที่ร้านเขาขายพวกเครื่องศึกษานะมันจะมีที่ไหมครับแต่มันไม่ได้แค่ขนาดว่าสาบาทนะมันก็จะุ้วนขึ้นมาเป็นเงาปากอันนี้ครับในคําว่าการแจ้งนี้แปดเดือนนะแปดเดือนเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องดูฝนคือครับที่ไม่ได้กําหนดกันว่าเปนเดือนเรื่องดูฝนแว้นแต่เดือนเหล่านะั้น สี่เดือนที่เหลือคือสี่เ้ดูฝนนะถ้าเกิดฝนจะไม่ตกบางปีฝนแรกฝนไม่ตกใช่ไหมที่สุดจะน่าจะน่าไว้ในที่าการแจ้งหรือปกติและในมณฑลที่ฝนจะลถใส่ได้ไม่ครูรถ้าหน้าฝนเังก็ไม่น่าฝนจะไล่ไม่ไล่ยังไงก็ไม่น่าหอยเป็นหน้าฝนกันนะในที่แจ้งหรือมณฑลหรือปาราที่ฝนมันจะอตอกลดใสนะ่ได้ยังไงก็ไม่นานนะ ในฤดูหนาวนะครับที่ยังมีฝนตกอยู่จะเห็นว่าตลอดสี่เดือนในลฤดูหนาวนั้นไม่ควรนะครับถ้าฝนยังตกนะถ้าฝนไม่ตกเราก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ส่วนในเฤดูร้อนท้องฟ้าโล่งปาาัสกาแม่ที่ทั้งปวงเพราะฉะนั้นในเวลานั้นจะไปด้วยเกียรมีกิจบางอย่างควรอยู่ดูร้อนไม่เป็นไรนะครับนะคี่สจะเก็บเสนาชนะที่โคต้นไมา้าซึ่งเป็นที่อยู่ประจำ ของพวกการเป็นต้นไม่ควรแม้แต่ทางเดียวที่อยู่ประจําของมันเลยใช่ไหมมันก็จะมีการถางมูลถางหญ้าดูออมันแล้จะมาเพื่อสนักสนานได้นะเพราะฉะนั้นในสถานที่ใดและในเวลาใดซึ่งไม่ควรที่จะเก็บสินักสนาไว้เนี่ยก็คือเวลาที่ว่านนะสี่เดือนนี้ฤดูห น, า, น, ะะนาที่ฝนตกนะครับแล้วก็คองต้นไม้ที่นกกาถางมูลมานะครับอันนี้ นะซึ่งมันควรที่จะเก็บธนาธนาไว้สถานที่แลนเวลานั้นทั้งหมดเพื่อเห็นว่าจาอยู่ในคําว่าที่การแจ้งในสิขาบทนี้คําว่าสังคตริวานแปลว่าอะไรนะล่าหรือว่าตั้งนะครับตั้งแล้วแปลว่าล่าสไว้สำหรับตนหรือสําหรับบุคคลอื่นในที่แจ้งเช่นนั้นนะครับเนี่ยนะเราจะตั้งไว้เพื่อตัวเองก็ดีเพื่อบุคคลอื่นก็ดีนะเราจต้องรับผิดชอบอนะครับ คนจัดตั้งจะรับผิดชอบอยู่นะ mm hmm. จริงอยู่เสนาชื่ที่มิสจฉุสจัดไว้สำหรับบุคคลอื่นตลอดเวลาที่บุคคลนั้นยังไม่นั่นหรือยังไม่บอกว่าท่านไปเถอะชื่อว่ายังเป็นภาระของมิจฉุสผูดจัดแจงอยู่นั่นเอง mm hmm. นะครับเราต้องดูแลไปเรื่อยๆนะเจึงกว่าเข้าจะมามาหน้านะครับ hmm. หรือมันบอกได้ว่าไปเถอะหรือถ้าจจะสั่งก่อนก็ได้นะ mm hmm. เอ้าเนี่นอันนี้เปลี่ยนใช้ใช้ผ้านะครับที่เปตั้งเนี่ย ไปตั้งเสียนให้อาจารย์นยจะเดี๋ยวอาจารย์จะไปนั่งที่นั่นนะแล้วก็ไปเลยนะไม่เป็นไรเดี๋อาจารย์สักการเองไปเถอะ น, นี้เราก็ไม่เป็นไรนะครับผู้สัง่ง้อรับผิดชอบนะเราะก็สั่งให้เราไปแล้วแต่ถ้าเขาไม่ได้สั่งให้เราไปเขาบอกให้เราไปตั้งไม่เฉยๆนะเรายังต้องรับผิดชอบของเราจนกว่าเขาจะมาหน้า mm hmm. คําว่าสัญชาติเป็ว่าอันนี้ใช้ให้เขาเนี่ยความว่าแท้มีความสัมพันธ์ให้จัดแทง อันนี้ใช้เอง น, นะถ้าใช้เนงเน่งแกไปเนงก็ไม่มีอาบัติถ้าเนงโดนอย่างเดียวนะครับถึงว่าถ้าใช้คนอื่นนะถ้าใช้คนอื่นถ้าใช้ใชเขาอย่างเดียวมนมนได้บอกให้เขาไปเลยไอ้คนที่ถูกใช้เขตรับผิดชอบใช่ไหมครับนะถ้าใช้เราตั้งเองก็ดีนะครับหรือคนมาใช้เราตั้งก็ดีนะเรายังต้องรับผิดชอบใช่ไหมหรือเราใช้ท้าอื่นก็ดีท้าตงนั้นก็รับผิดชอบนะครับ แต่ท่านยังไม่ได้บอกว่าท่านไปเถอะอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับภานะรับผิดชอบนะแช่งผู้ประสานบันให้จัดแจงนะครับนี่จะรับผิดชอบเลยด้วยว่าศีลอาสนะนั้นจัดเป็นฐานะที่พิสุท์จะต้องรดูแลศีลอาสนะที่อยู่ประสานบันจัดให้พิสุท์จัดให้นะถึงว่าเป็นภาระของผู้จัดแจงนั่นเองอก็แลนะครับศีลอาสนะนั้น ตลอดเวณาที่ผู้ใช้ยังไม่นั่งหรือยังไม่ได้บอกว่าท่านจรงไปเถอะคนตั้งก็ต้องรับผิดชอบไปก่อนนิดนึ่งหรือพิสูจใช้สินาสนะใดที่เขาล่ามไว้เพื่อตนหรือที่เขาล่ามไว้ตามปกติค่าจะตั้งไว้เพื่อพิสูจน์สำเนา ม, มานั่งฟังธรรมใช่ไหมสินาสนั้นทั้งหมดชื่อว่าเป็นภาระของพิสูจผู้นั่งเท่านั้นนะรว่าอาจจะมีการฟังธรร ม, มการแจ้งนะปเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง ฟังทำแต่ในห้องใช่มอาจจะเปียเป็นยาการฟังสถานการณ์แจ้งมีการเอาเตียงเอาเอาเอาโต๊ะก็อี้มาไปตั้งไว้อย่างนั้นนะเนี่ยนะครับใครไปนั่งแล้วก็ต้รับผิดชอบนะครับไปนะตอนที่ไม่ ม, มีใครนั่งน่ะคนไปตั้งต็รับผิดชอบก่อนน ะ, ะแต่พอมีคนไปนั่งปุ๊บคนนั่งต็รับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นเตรียงตั้งเป็นต้นนะะั้นได้ชื่อว่าตอนนั่นแหละให้นั่งไว้นะครับ คำว่าตันประกัมันโตเมืเ่อไหใช่ไหมในว่าุาะะ้างเละะยะนาุทลาเปยะความว่าตนเองยกขึ้นแล้วไม่เก็บไว้ในสถานที่อันสมควรใช่ไหมเอามาจากไหนแล้วไม่ไปเก็บไว้ที่สมควรนะครับหรือไม่ได้วางผู้อื่นให้เก็บไว้ในสถานที่อันสมควรนั้นไม่เก็บเองก็ดไีไม่เช่นนั้นเก็บก็ดีคําว่าอนาบุชัางว่าขัดแย้งไม่ได้มอบหมายนะ บุคคลใดจะเป็นพิสูจก็ตามสมเนียงก็ตามคนวัดก็ตามมีอย่างอานเนี่ยคานิสัยใจในี้มีอย่างอาาะะ่านอาจารารวัตราชีเขาเป็นผู้มีความอานมีอย่างอ่านนะจะสาคัญเตรียมเป็นต้นนั้นว่าเป็นสิ่งที่ตนจะต้องดูแลพิสูจน์ไม่ได้บอกบุคคลเช่นนั้นต้องบอกคุณลักษณะ น, นี้นะไอบอกพวกที่ไม่มีอย่างอานไม่ได้แส็งจะอะไรอยู่แล้วนะใครไปว่างนระเกะระกะเพราะฉะนั้นสิ ถึงบอกเขาก็ไม่ใส่ใจก็ไม่สนใ จ, จของเราจะเสียหายก็ช่างเขาไม่ใส่ใจเลยนะอย่าไปบอกคนเหล่านั้นนะครับต้องบอกคนที่มีความอายนะอันนี้จะพูดให้ฟังหน่อยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวการไปเก็บของคนอื่นอย่าเดียวนะเกี่ยวกับในวาระทั้งหมดนะครับถ้าเราไปเจออะไรระกี่ระกะโลกของโลกตามไม่ไมไปเป็นไป้ี่เนชานสุขตองตอตอนี่นะจะไปตำแหน่งไหนก็แล้วแต่นะครับ ถึงเราจะไม่ได้รับหลานไม่ได้รับผิดชอบก็ลบลบกลบแล้วแต่ะเปน็นที่ห้องน้นนะโอ้ฉันนึกวอาในห้องเนียนตรงไหนก็แแต่เราห็นว่ามันสกปรกมันร่องแม่เรียบร้อยแล้วมีเวลาแม่รีบไปไหนไหครับทำได้เลยนะไม่แบกไม่กำแล้วก็ทําไปเลยเห็นเนีย่ยโอ้เราเกลีอากาศเยือกหรือว่าเนี่ยมีแมงม้ามาเต้นใช่ไหมครับและเข้าไม่ได้กวาดกลางคืนเขารียก็ออกไปนะและมม้วระมันตอนเช้าพุ๊บเราเข้ามาในห้องสมุดเนี่ยแล้วก็มาเจอแมง ม, ม้ า, มากวา เราไม่ได้เป็นชน้ที่ทะควาวใส่ห้องสมุดช่ไหมครับเราควรที่จะทำไหมเนี่ยถ้าบอกว่ามียาอายนะที่สมเั็งานผู้มียาอานนะครับจยางสาคัญว่าเป็นยุติเองควรทําข้อนิ่งรู้ไม่ได้นะนี่แมงเม่าเต็มเนี่ยแล้วมาเซ็นหนะาสองเนี่ยบอกผมไม่จะเจหน้าที่มาให้ไม่ได้นะครัไม่ควรนะถ้ามีเวลาไม่มีเสนอต้องต้องทํำเลยนะครับไม่ใช่อว่าไม่ได้นะต้องทํำเลย เป็นศนาสณาวัดได้นะที่ไหนที่เราไปใช้สอนอะไรอยู่นะครับนี่กุติที่อยู่ของเรานี้ไม่ได้เลยนะมียาไม่ง อ, อะไรที่สกปะอกล้องลังนะครับถ้าเห็นอยู่นะแล้วก็นิ่งเฉยไม่ยอมทํำนั่ น, น, นะปากอ้าบได้เลยนะครับอป็นาศาสนาวัดนั่นไม่ได้เลยถึงไม้ในห้องนั้นเลยก็มีอะไรน ะ, อะไอนะ้นั่นว่าเจดกุฎีวัดที่ไหมครับตรงนั้นสกบปะปอกสกบปะปอกอันนี้นะมีใครไปถ่ายเล้ะทิ้งไว้รองเท้าสกบปะปอกเปื้อกอะไร่นี้นะ เราสามารถทําได้เลยนะครับเนี่ยถ้ามีอาญาเนยเขาไม่ได้ถ้าแม่รีบไปไหนเนี่ยควรจะมีอาบักตร์เลยนะมีอาบักปรับเลยนะครับว่าจะดีว่าจะดีชนาชน้าว่าจะดีนะเราจะไปนิ่งดูได้ตัวใครตัวมันหน้าที่ใครหน้าที่มันอะไรมั่รัิดชอบตรงนี้นี้ไม่ได้นะครับก็คุณจะทําต้องใส่ใจว่าเนี่มันเป็นศินาชนะาสงของสงและคป็ขอที่เราก็ใช้อยู่สมนติว่าใช้อยู่ใช่ไหมครับเราควรจะทำได้เลยไม่ควรจะนิ่งดูได้นะครับ นอกจากมันข้ามขั น, จ, น, นจริงมันไม่ทมันจิงนี่ไหมครับนี่อันหนึ่งนะธรรมดาก็ต้องทำเหมือนกันนะครับนี้ใส่ซะให้ดีนะครับทีนี้ทีนี้ก็จะสบายในหลาฝ่ายนะครับมันจะไม่มีอะไรลอกเลิ้อยเท่ากระป๋องหอกก็ตรงไหนเปื้อนถ้ามีใครทํำก็ทําเลยใช่ไหมใครคนนั้นคนนี้ก็ทําเลยแล้วก็จะไม่นั่นแล้วนะครับาหาน้ห้องน้ำมีแฉะเลยมม่รู้ใครแต่ใครเอาน้ำเวลาหน้าใจฟันใช่ไหม คือมันเลี่ยนไม่ได้หรอกต่ว่าคนใช้มันก็มันก็มันเลี่ยไม่ได้เพราะว่าอ่านมันเล็กนะครับแล้วล้างหน้าแปรงฟันทีมันแตจาจใช่ไหมอ่างมันเล็กถึงพยายามแล้วนะผมสังเกตุแล้วที่จะให้หลุดออกมาอะไรนี่มันยากนอกจากว่าก็ต้องระวังดีๆนะครับอันนี้มันดีจะกรปองเปื้อนอะไรเงี้ยนะเฉยๆไม่รู้ใครจะใครมาใช้ไม่รู้ใครบ้างเลยลองเห็นเราทําได้เลยนะครับอันนั้นว่าเจ้ากูดีวันแล้วนะๆ ซึงประตูห้องนะั่อะไรนะ้องเปิดเพื่อนจะทำเลยไม่ต้องรอใครมาสั่งเห็นว่าดีควรทําได้เลยนะครับนี่นะครับและควรที่อยากทด้วยนะจําคํานี้ไว้นะครับมีอยางอายพี่เด็กสมบูรณ์เลยนะผู้มีความอายนะครับจสำสําคัญว่าเป็นสิส่งที่แต่คนทํา <c oughs> ทําไปได้เลยถ้ามีเวลานะทําในได้รีบร้อนนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับไม่ได้มอบเสนาธนนั้นแก่คนนั้นนะครับ ไม่ได้สนใจนะครับไม่ได้สนใจนเนี่มันเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเดินไปเลยเรียบดุบารของบุตรปานกลางสีเพราะการเลยเรียบดุบาร์นะครับก้าวท้าแรกของมิสูนั้นต้าบัดทุกกดก่อนนะครับก้าวพลัดทุกกดนะก้าวที่สองไปต้องบัดปาจิตตินะครับแต่ี่สูที่อยู่ในรงฉันก้าวท้าที่สองไปต้องบัดปาจิตติ แต่วิสูที่อยู่ในโรงฉันสองคนไปให้ล่าดไว้ด้วยคําว่าท่านจงลาดเสนาสนะไว้ที่พักกลางวันหรือวิหารนู้แล้วไปเถอะมันมีคำ ว, ว่าแล้วไปเถอะใช่ไหมพอบอกว่าแล้วไปเถอะนะครับคนตั้งไม่ต้องรับผิดชอบนะคนที่สั่งก็รับผิดชอบเองพอหมอให้เขาตั้งแล้วก็ให้เขาไปได้อืคดังนี้แล้วไม่ในปลาที่ล่าดนั้นนะครับถ้าไม่ไประหาที่นั่นนะกล่าวหนไปจากที่นั้น คือหลิงประจักรหอฉันถ้าอยู่หอฉันใช่ไหมท่านสัมาเป็นตั้งไว้แล้วก็หลิงประจักรหอฉันเลยไม่อยอมไปที่นั้นนะครับเมื่อจะเดินไปที่อื่นจะถูกปักอาบัตตามอาการที่ก้าวเท้าน ะ, ะเอาที่เดินในหอฉันไปไปทางอื่นนะถ้าปักอาบัตตามก้าวเท้าไปเลยนะครับก้าวเท้าที่สองก็ข้าแบบไปเกิดแล้วแพทอาบัตนะครับสิคราบวันนี้ ข้าเจ้าทรงประลบพิสุหลายรูปหนึ่มื่อสามวันทีบัญญัติไปแล้วต้องเห็นคือการไม่ยอมเก็บเสนาสนะที่ละไว้ไม่มอบหมายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเก่บไว้แล้วหลุดไปเสียเป็นสาธรารณาบัญญัติที่สุนีก็มีนะครับอ น, นันติกาไม่เกี่ยวกับใช้ก็หมายความว่าใช้คนอื่นอะไรนะอ้อใช้คนไปตั้งไว้นะครับไม่ย่าแย่แต่ผมคิดว่าใช้คนหลุดไปไม่ต้องอ ใช้ขืนดิบไฟไม่ต้องอันบาทอันนี้นะที่ต้องบัตรคือตัวเองดิบไฟใช่ไหมใช้ขืนไปตั้งไว้ไก็ต้องอันบาทอันนี้หมายความว่าใช้คืนดิบไฟนะครับไม่ต้องอาาันบเป็นติกปตาปายตีตนะครับติกาปายตีคืออะไรเตียงต่างนั้นเป็นของสองนะครับอั น, นั้นตกเตียงต่างพูกก็อี้นะครับอันนั้นันเป็นของสองเข้าใจสงสัยทำความผิดต้องบัตรทั้งนั้นนะครับของส่วนบุคคล เป็นสีกาทุกกฎเอาของส่วนตัวเข้าไปตั้งไว้นะก็ยันต์้องแบบทุกกฎพ่อเป็นของบุคคลของเขาก็จะเสียหายนะครับแค่ต้องแบบนั้นเลยนอกจากว่าของตนเองหรือของที่อยที่คุ้นเคยกันมากนะทอะไรเครื่องล่าถนัดรักษาผิวพื้นก็ดีอท่านจะอธิบายนะเครื่องล่าถนัดผิวพื้นนี่เป็นยังไงนะครับหมายก็ว่าเครื่องล่าที่เขาเอาลองพื้นะอีกทีนะก่อนที่จะปูเสื่อนะครับก็จะมีเครื่องล่ารองพื้นอีกทีในสมัยก่อนนะแล้วก็ปูเสือ่อทับนะ เครื่องหน้าเตียงก็ดีเครื่องหน้าที่จะเอาไว้หน้าเตียงก่อนนะแล้วก็ปูค่อยปูผ้าปูนอนปูอะไรลงไปนะครับเครื่องหน้าพื้นก็ดีนะครับแล้วก็พวกเสื่อต่างๆนะครับเสื่อลำไยเสื่อน้ํามันอะไรก็ว่างไปนะเสื่ออ่อนก็ดีนะครับท่อนหนังก็ดีเครื่องเช็ดเท้าก็ดีอเครื่องเช็ดเท้าเยทำด้วยเชือกทำด้วยผ้าอะไรไม่น่าเท่านั้นนะตังกระดังก็ดีนะครับ นะก็หรือของใช้ยังอื่นที่ทําด้วยไม้ก็ตามแปลว่าพันดักไม้ที่ทําำดินเหนียวก็ตามพันดักดินดูที่สุดเป็นเชิงรองบาทนะครับทิ่สูบวางไว้ในที่แจ้งดังกล่าวแล้วเมื่อหลุดไปต้องบัตทุกดเหมือนกันครับไม่ได้นะนู้ะดูไม่ดีเกี่ยวผ้าเช็ดท่าดูไม่ดีนะบนงทีอ่ะท่าของสองนะครับใครไปวางทิ้งไว้เนี่ยแล้วก็หน้าห้องใช่ไหม ฝนตกรอดได้นะครับต้องอันนัะเป็นบัรทุกกฎนะครับนีหน้าฝนนี่ห้องอะไรนะหน้าห้องคําเนี่ยนะหน้าห้องอะไรบ้างอะที่มันคุ้มฝมไม่ได้หน้าห้องบริเวณก็แล้วแต่นะครับแล้วตรงข้างนอกใช่ไหมมันมันนายขึ้นน่ะตรงนั้นถ้าผนส่งเราไปวางไว้นั้นดูฝนนะครับฝนตกลงหน้าอะไรได้นะไปวางไว้หลุดไปไม่ได้เก็บนะครับอันนี้พี่อนต้องบัรทุกกฎนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้อะไรนะต้องบรรทุกกฎนะครับ ในห้องคอมห้องคอนเทนต์อยูครับย้ายมืตรงนี้นะที่สเออทามนั่นแหะทาไม่ได้ง่ายก็การเดินขึ้นาเนี่ยไม่ได้เลยถ้าเป็นของสองนะถ้าเป็นของส่วนตัวก็ว่าไปนะครับใครเอาผ้าเช็ตัวกับตัวเองใช่ไหมมอคูุ้าเช็ดทามเป็นไรนี่เป็นของสองเนยไม่ได้นะครับดูแลเลยนะพยายมบทุกผมเจอที่ห้อง้อมนะองนั้นต้องระวังครับ แต่พิสูจที่อยู่ป่านะครับเมื่อหาสถานที่เก็บซึ่งผลจะไม่รั่วรอดไม่ได้เช่นน้ำเขาเป็นต้นถ้าไปอยู่ป่าอยู่โคนไม้กลางแจ้งเนี่ยหาที่เก็บไม่ได้นะจะคล้องเครื่องใช้ทั้งหมดไว้บนต้นไม้นะครับคล้องต้นไม้ไปเลยเก็บไว้ในสถานที่ปลอดภัยจากบวกแล้ะจึงไปก็ควรนะครับนัาไปวิธีทำนี้นะถึงพิสูจน์พนปกติอยู่ในที่แจ้ง จะทํากุฏิจีวรก็ต้องรักษาไว้นะครับทํากุฏิจีวรอ่ะอาใช้ทําเป็นเต็นต์เป็นอะไรขึ้นมาใช่ไหมแต่ใช้ผ้าจีวรทานะครับข้างในก็มีสนินค้าเตียงต่างข้างก็ต้องรักษานะไม่รักษาไม่ได้เพราะว่าไอเต็นต์จีวรไม่สามารถที่จะกันยงนได้ใช่ไหมอืมโอ้เลเวลาเนะี่หมดนะเวลาแนะ่นะครับคงจะแค่เก่า น, นะวันนี้ค่อยมาสามสิบครั้งวันนี้ทีนะนะ กจะจบนะที่ว่าจบอันนะี้นะพูต้ตระทามาว่านที่จบเนี่ยก่อนทาบประเทศเราไม่เนี่ยคือคอาจจะได้อะไรนะโอวาทเท่าว่าอีก ว, ว่าพว่างใ้หมวว่าไม่ได้เอียนนะอ่านให้ฟังกะไรนะครับอ่าจะพ่อในอุโบสถวิธีนะพ่วางเขาว่าเกี่ยวกับพิชรีทั้งหมดเลย ที่สถามัที่สี่นะครับปฐมเซนาเนาสุดขามหมดเกี่ยวกับเซนาเนานะครับเกี่ยวกัเซนาเนาการเอาอะไรนะเอาเตียงตังฟูกกาอี้ของสองสตั้งไว้ในที่ตายแจ้งนะในเวลาไม่ดูฝนนะสี่อเดียวนั้ดูฝนหรือว่าไม่ดูหนาที่ยังมีฝนตกหนะครับ หรือไปตั้งไว้ในอ้ายโคมไม้ที่นกกาจะถ่ายมูลรดได้อันนี้ชื่อว่าการแจ้งนะครับถ้าเปตั้งกันแล้วเป็นสมาตตอนไหนครับตอนนี่ตั้งไปเลยนะครับตอนทีเจอจังกับตอนี้จะกลับเราีเกศครับหรือว่าไม่ได้สัหรามเกศครับ้ก็เมื่อเดินไปยุเล่ครับ ต้องมาฝังตีครับได้คาที่สอนมาฝังตีเฮ้ยครับต้องนีครับละเอียดเลยอันนี้ก็ล้งไปนนางบัตรตอนนั้นนะตอนที่บไปแล้วมายอมเก็บเองไม่ใช้ให้เจ็บหรือว่าไม่ได้บอหมอกเหมาะหมายไว้ใช่หครับเลยได้ดูบางอะไรก็เป็นนะครับนี่ต้องนะครับทีนี้ยังมีนะมาถึงหน้าร้อยเจ็ดสิบครับหนึ่ง้อยเจ็ดสิบ มาดูต่ออนาบัตแล้วว่าลักษณะไหนที่จะไม่ต้องอนาบนีจะไม่ต้องอนาบัตนครับจะบอกว่าเมื่อพิสูรล่างของส่วนขอ ง, ของตนเองไว้ก็ดีอันนี้ไม่ต้องอนาบัตอู่แล้วเพราะของเราเองนะจะไปตั้งทิ้งไว้ตาลนตาขนใบกระแตนครับที่ตักเราเองนะอันนี้ก็ไม่ต้องอนาบัต ของไปสู่ที่คุ้นเคยกันก็ดีนะครับคุ้นเคยกันมากน่านะแบบว่าสามารถถึงวิสาสะของกันขึ้นนะครับอันนี้ที่ว่าคุ้นเคยในที่เนี่ยนะก็ไปตั้งไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เ, เก็บก่อนแล้วจึงไปก็ดีเอาออกพึ่งแดดไว้ไปด้วยคิดว่าจะกลับมาเก็บก็ดีอันนี้ก็ไม่เป็นไรรักเท่เาพึ่งแดดให้ก่อนเฉยใช่ไหมเวลาทำความสะาดนะครับบางทีนะ่ย อันในเซนาชนะวันนันในว่าหลายข้อเลยท่านจะบอกนะเวลาทำความสนาดผิวหนังนะครับให้ขนเตียงออกไปนะขนเตียงออกไปขนตากออกไปไม้ที่ควรเสื่อขั้นหนึ่งนะครับขนของไปเยอเลยนะแล้วก็หนุความสนอาดผิวหนังนะครับขนไปถึงแดไว้เนี่ยนะ่เช็ดปัดอะไรเรียบร้อยนะครับความสะอาดผิวหนังก็กลับมาตั้งให้ตาเดิมเนี่ยในคราวนี้นี่นะเอาไปถึงแดดไว้นะครับอันนี้ก็ได้ คิดว่าจะกลับมาเก็บอีกนะแต่ถ้าเพราะว่าไปไม่เลยหไม่ดูบานน่ะพอไปถึงแดดแล้วใกล้ๆทางด้ใใกในในวก็ไปไม่ไกลเลยถึงไม่ได้แล้วก็ตั้งใจว่าจะเก็บแล้วก็ไปออันนี้ไม่เอาเลยนะพิสูจมีความสามารถกว่าบอกให้ย้ายออกจากสัญชาตที่ตนใช้ก็ดีครับเป็นสัญชาติของสองฆ์ใช่ไหมเราเตียงต่างอะไรพวเนี้ไปใช้ไปตั้งก็แล้วนะ นี่พิสูจน์ความสา ม, มารถ ก, กาบอกนี่ผมจะใช้นีมครับเราใช้เป็ของสมใช่ไหมก็ต้องให้ท่า น, นให้ท่านไปนี่นะเมื่อให้ท่านไปแล้วร่างก็พ้นวาระนะครับมันจะรับผิดชอบแล้วท่านีะเป็นคนเอาไปรับผิดชอบนีงนี่นะครับมีอมนุษย์อยู่ในที่นั้นก็ดีอันนี้นีครับก็บอกว่ามีอารมณ์รบกวนนะเรื่องอันตรายบาอย่างคือมีอมนุษย์นะครับพวกยักษ์หรือว่าปีกนะครับ เขาไปนั่งบนตีนนั่นนะซึ่งเราไปตั้งไว้ใช่ไหมแล้วก็มาเราแวะมาเขาพังนะครับอ้าวกลับไปนะเห็นมีย่างมานั่งอยู่นะอันนั้นไม่ต้องห่วงนะเนมะ่ต้องไปเก็บนะครับไ mm hmm. ปไกลๆเลยกันนะไม่เป็นอานบัตนครับไปไกๆลๆอะไรยังเกิดอันตรายนะไปไม่ได้นะครับถ้ารู้ว่ามีย่างก็เปลีะนะ่ยนเข้ามาเลยไม่เป็นไรหรืออิสราชนบางคนมายึดเอาก็ดีผู้เป็นใหญ่ที่มีอํานาจนะ พวกอะไรนะเมื่อก่อนพระราชามหาการแม่ทัพนายกองหรือผู้มีอำนอาจต่างนะครับอันนี้มายึดเอาพอดีไม่เป็นไรก็ทิ้งไปเลยสัตว์นัมีสีห์หเป็นต้นมาพักอยู่ที่นั้นอย่างนี้นะครับเสนาชนะชื่อว่าถูกรบกวนนะเมื่อไปเขาเสนาชนะถูกรบกวนอย่างนี้ก็ดีไม่ต้องอาวรณ์นะครับเพราะ อ, อันตรายแห่งชีวิตหรืออันตรายแก่พรหมจันจร์ก็ดีนะครับ อาจจะมีคนมาปองร้ายเราเนีเราไปเก็บไม่ทันไปเก็บไม่ได้นะครับหรือพวกก็รอยอยู่ที่นั่นนะปองร้าจะฆ่า น, นะครับ<ม>หรือมีอันตรายอม่างพรจันเนี่ยมีผู้หญิงนี่นะมาจะจับเสก จ, จับอะไรนะครับ<ม>หรือมีญาติจะมาจับพิสุ ป, ปิสุนีนะครับอนั้นเราก็ไม่ต้องไปนะนะครับที่สุบ้าเป็นต้นพอดีไม่ต้องอาบ<ม>ัต<ม>องคอาบาัตสิคราบตัวนี้มีองค์ของหล่านี้คือหนึ่ง เตียงต่างเป็นต้นเป็นของสงต้นของสองนะสองล่าเองหรือใช้ผู้อื่นล่าใ น, ในสถานที่แจ้งดังกล่าวแล้วสามไม่ได้ถูกรบกวนไม่ได้ถูกรบกวนจะอันุเป็นต้นสี่ปลอดจากอันตรายนะไม่มีอันตรายสามาไปได้แหละห้าไม่ได้สนใจเศษนาสนะพอตัวเองไปตั้งแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจนะ หกหลีไปเลยแรกดูบาดนะครับแรกดูบาดก็เคลื่อนก้อนดินไปหนึ่งต๊กใช่ไหมครับนะเดินเลยหนึ่งแรดูบาดเมื่อข้อกองของนี้ก็ต้องอาบัติปาจิตตีในสิกขามบท น, นี้ผมเคลียอะไรไว้ข้างหน้าคือเศนาชนะที่ทั้งเป็นอาบัติในข้อนี้นะถ้าเป็นเตียงต่างโพกกก้าอีนะ้นกต้องอบัตไปตีเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าเป็นอย่าง อ, างอื่นถ้าพูดถึงพวกเสือนนี่นะ ผู้เสื่อนะครับเครื่องล่างวื้นเสืออ่อนท่อนหนังผ้าเช็ดท่าแล้วพวกนี้นะโดยหมดนะครับหรือพันดางไม้พันดางีินของโศกนะไม่อุปกรณนะ์เครื่องเย็ บ, าบา อ, ะอะไรนะเครื่องยอกผ้านี่นะครับขาบ่าอะไรต่ออะไรนะรวมว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องบินเนะี่ยเราไปตั้งไว้กลางหลายกลางแจ้งหน้าขนนะลองทายเสียหายได้นะแต่ถ้าพวกนี้ตั้งบันเบาลงเป็นอันบัดทุกกฎใช่ไหครับที่ไปจีิงแคสี่ตัวนะ เตียงต่างโพกเก้าอี้นะครับที่เหลือนี่ก็คือต้นแบบพกรแต่ทีนี้ยมันก็จะมีอย่างเนี้ยนะในที่นี้เขาจะเอาเศนาชนะที่เป็นไม้เป็นดินนะครึ่งไม้ครึ่งดินหรือว่าเป็นพลาสติกนี่ก็สนข้อไข้ น, นี่ครับเป็นพลาสติกเป็นต้นที่โดนฝนตกนวดแล้วจะผุพังหรือว่าเสียหายไปนะครับถ้าเราไปตากที้งไวอย่างนั้นนะใช้ได้เมื่อคงทนแต่ถ้าเป็นม้านั่งที่ทำด้วยหินอ่อน อันนี้มันเป็นไรนครับมันต่างแดดต่างฝนต่างลมอะไรมันก็ไม่สะเทือนใช่ไหมมันก็ไม่มีปัญหาเลยครับนี่มันเป็นไรนะมันจะได้รูไว้เดี๋ยวกังวลเนี่ยอ้าวเขามีใครไปตั้งแล้วไม่รู้เนะเราไปนั่งเนี่ยเราจะมาตีชอหรือเปล่ามึงขนไปไม่ไหวนะครับเพราะว่าตัวใหญ่นะเมื่อก่อนนี้ก็สงสัยกันนะครับเอ๊ยต้องหรือเปล่าไม่เป็นนะครับไม่เป็นนัน่เพียงพอท่าไหร่ โคอาอวัมันจกงที่การที่ไม่ดูแลรักษาของตองนการดูแลรักษาจะต้องีการเข้าเก็บในที่ร่ไม่ดนแดดอะไรแบบนี้ไม่ดูแลรักษาแต่วัะ้องอไม่ได้ข้าไม่ใช้อาไม่ห้ามไม่หใช้ได้นะแต่ใช้ได้แล้วก็ต้องเก็บอันนี้เฉพาะหน้าหนหรือว่าหน้าหนามันคือป้องกางการเสียหายของตมวมันเสียหายไป หน้าล้อนี้ไม่มีอาหารบัตรนะนไม่มีฝากอาหารบัตรไว้แต่ก็คนที่จะเก็บแล้วนะเรามาจางไหมเราก็ต้องกลับไปเก็บอ๋อแต่จะจะจะมีสิขุขาบนนะึงมีข้อนึงนะมีข้อนึงนะครับอันนี้พูดถึงว่าไปต่างแดนแต่มีข้อนึ่งก็ข้อข้างหน้าเนี้นะก็จะพูดถึงนะครับนี่ครับหนึ่งตัวนะสมุทรธานเป็นต้นเหมือนกับในสิขุขาบที่หนึ่ง คืออะไรมันจะในสุขาบทที่หนึ่งก็คือเอาแต่สุขาบนี้เป็นกิริยาเท่านั้นต้องอาบัติเพราะและไม่ทำแลเมื่อสุขาบทที่หนึ่งก็ต้องอะไรกายวาจากายวาจาจิตนะครับเนี่ยกายวาจากายวาจาจิตนะครับเหมือนกระถินเป็นกระทินสมุทฐานน ะ, ะกายวาจากายวาจาจิตนะครับ เป็นกิริยาอากิริยานะครับเป็นกิริยาในข้ออะไรครับข้อนี้ย่ต้องอันดับข้ออะไรพ่อไม่ยอมเจ็บไปเพราะว่าเดินหลุดไปใช่ไหมหรือที่ไม่ได้เก็บใช่ไหมครับอั น, นี้อันนี้เขาเรียก ว, ว่าดีกว่า น, ะ น, นันไม่ได้เก็บลง่นเป็นอา ก, กิริยาเป็นกิริยาเพราะว่าเดินอะไรกไ็มีหวังไปใช่ไหมครับเป็นอา ก, กิริยาก็เพราะว่าไม่เก็บหรือไม่ใช้ใเก็บพวกนี้นะครับ สองอย่างทีนี้บอกว่าเป็นเกิดทางการาวางใจไม่มีจิตเนี่ยเพราะว่ามันมีจิตถึงว่าเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจนะแม้ว่าเผลอเดินอะไรไปเลยนะครับไม่ได้เสลือมีนะ่ะก็ต้องอาบัติหนึ่งนะครับไม่พ้นเนะข้อนี้เป็นอจิตการนะครับเป็นจิตตการไม่พ้นหรอหรือว่าเป็นของสงไม่เข้าใจนะเข้าใจว่าเป็นของตัวเองนะครับคนเป็นของสงก็ต้องอาบัติหนึ่ง ถ้ามัจริงก็รู้ทั้งรู้นะ ร, รู้แล้วก็ยังยังไม่ยอมเก็บนะครับเกิดทางการแล้วางจาการเพราะว่าหลุดไปหรือไม่เก็บใช่ไหมวาจาก็ไม่ได้ใช้เก็บนะครับ <c oughs> อะไรนะนอตสัญญาที่โมกไม่รู้ก็ไม่พสต์อจิตตการนีะครับจะรู้ไม่รู้รออร ต, รรรต้องลำบเทั้นั้นนะถ้าทําไปนะครับตอนนั้นจริงวันช้าไม่ได้เป็นอาจรสอนหนึ่งมีอ่ กายกรรมก็ได้ทัศนกรรมก็ได้มินจิตสามเหยื่อ น, น, นาสามชะ น, นี้แหลกจบการอธิบายประถ ม, มเสนาสะนะติบขาหม ด, ดกมจจมแล้ว่กคนะก็ใจ แต่บางอย่างก็อย่างเช่นพวกเสื่ออ่อนเครื่องปูล่าอะไรบาอย่างไม่ยังก็มีราคาแพง น, นะอืมม ไ, ไมพรมอะไรที่ไม่เสืดีๆเนี่ยนะมนอาจจะแพงกว่าเตียงนั่งอย่างเนี่ยก็เขไม่แน่ไม่มีราคาเพราะว่าไอ้เก้าอี้ท่านบอกว่าเก้า อ, อี้ที่เาใช้อะไรนะพวกหญาา้านะหญ้ากมะถะอ่อนพอดูราคาระเก็อี้เีราคาถูกเลยนะไม่ได้แพงไหนมากนะครับเอเครื่องปูลา่านี่มีแพงกว่า ไม่ไดินที่คราทำนะขอ้อว่าเครื่องไม้เครื่องดินเนี่ยเอาหมดนะแม้กระทั่งว่ากรบโวยตักน้ำนี่ไม่ได้ก็ะโวยตักน้ำสองนะครับเอาไปตั้งที่ไว้กลางแดดกลางแสงมันมึนฝนอะไรนไม่ได้นะสังสตักน้ำดืมนะี่เนี่ยไว้ในที่แจ้งแล้วไปเสียนี่ต้องต้อนแบบกดนะครับไม่ได้แค่นั้นเล ย, ยข อ, อรครับครับ ขางคพันดาไมา้พันนาดินที่เป็นของสัตแล้วจะส่งข้อเอกโคติี้สองข้อด้วยครับเพราะว่าเนี่ยมันจะปลูกพังเสียหายเหมือนกันนะเพราะต่างแดกตัดผลไว้ะครับแล้วก็จะเว้นเฉพออาไอนะ้ไม้น่าหินออนนะที่มันจะไม่ปลูกพังไปใช่ครับ